ชายคนหนึ่งนะเป็นขราชการชั้นผู้ใหญ่เล่าว่าเมื่อสัก 15- 20หรือปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งนะในภาคอีสานหลวงปู่ท่านก็เป็นผู้ที่มีญาติโยมกรรชนับถือมากเพราะเชื่อว่าท่านเป็นพระริยเจ้าตอนที่เข้าไปหาท่านน่ไม่ใช่ไปไปกราบท่านนะ ผลก็เต็มสารลาเลยแล้วตัวโยมันนี้ก็เรียกว่าอยู่ข้างหลังเลยนะเข้าถึงได้ยากมากเพราะใครๆก็อยากจะเข้าใกล้แล้วก็ถวายของด้วยตัวของตัวเองแต่จู่ๆนะหลวงปู่ก็กวักมือเรียกโยมคนนี้ก็เลยมีโอกาสได้เดินเข้าไปร้านเข้าไปนะแล้วก็ได้ ถวายของให้กับท่านกับมือแล้วก็ได้สนทนากับท่านนะด้วยท่านก็ให้พรแกก็รู้สึกปลับปรื่มปิติมากเลยนะว่าโหเราโชคดีจังเลยเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็ทำให้เกิดปิติปราโมดมากหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่ปีนะสีห้าปีก็พราว่าตัวเองเนี่ยประสบกับ ปัญหาต่างๆซึ่งรแล้วแต่หนักๆทั้งนั้นนะปัญหาครอบครัวปัญหาการทำงานแล้วก็ปัญหากับผู้บังคับบัญชาแล้วก็ยังมีเรื่องลูกนะมีความขัดแยงนะ้งนะมนตึง กับลูกเรียกว่าเกิดความกลัดกลุ้มมากแล้วพอเป็นยืดเยื้อเนี่ยนะก็ เ, เกิดอาการเรียกว่าสติแตกก็ได้คิดถึงการฆ่าตัวตายเลยทีเดียวแต่ก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้นะสิ่งที่น่าคิดก็คือว่า ในความปิติปราโม ท, ที่เกิดจากการที่ได้ไปกราบหลวงปู่เนี่ยซึ่งเชื่อว่าเป็นพระริยเจ้ า, าหารือพรอรหันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยโยมคนนี้ได้เลยนะั่นในยามที่เกิดวิกฤตทั้งที่ตอนนั้น็ร้สึกปราบพื้นปิติเมารู้สึกว่าเราโชคดีเรามีบุญแต่ความรู้สึก ดีๆอย่างนั้นเนี่ยมันจะว่ามันหายไปเลยก็ได้ตอนที่เกิดวิกฤตแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ตัวเองเนี่ยก้าวข้ามผ่านความรู้สึกซึมเศร้าแล้วก็เครียดกรกกลุ่มได้เนืงจากที่ผ่านมาได้นี่เพราะว่าปัญหาต่างมันก็เริ่มคลี่คลายลงนี่ถ้าเกิดว่าเขาใจเร็วด่วนได้นี่ก็อาจจะ ช่องเขาจะพอตัวแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องนี้ให้อัตมาฟังได้เวลาเขา้ารลอยู่เขาก็ไม่รู้สึกเห็นในความเชื่อมโยงเลยนะว่หรือตั้งคำถามเลยนะว่าในการที่มีโชคเป็นบุญนะที่ได้กราบอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่นั่นเนี่ย มันทำไมเนี่ยจึงไม่สามารถจะช่วยเขาในยามที่เกิดพิกฤษได้นี่มอยคโคมิงนะก็เป็นลูกเศรษทีศรัทธาในหลวงพ่อองค์หนึ่งมากซึ่งก็เช่นเดียวกันนะเขาก็เชิญว่าท่านเป็นพระรยาเจ้าหรือพระรหรัม เราก็ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสอุปถักต์ท่านหลายครั้งเพราะว่าเป็นหมอแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนะว่าตัวนี้มีโอกาสได้ใกล้ชิดท่านแล้วก็ได้ฟังธรรมของท่านแล้วคิดว่าเท่านี้เน ko ี่ยมันก็เพียงพอที่จะทําให้ตัวนี้มีชีวิตที่ราบรื่นผาสุขได้ เพราะว่าธรรมที่ได้ฟังจากหลวงพ่อเนี่ยก็อาจจะช่วยนําพาชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้แต่พอถึงเวลาป่วยหนักนะด้วยโรคมะเร็งเนี่ยบอกว่าเสียสุดไปเลยมีความทุกข์ทรมานมากแล้วก็พราบว่าธรรมะที่ได้ยนได้ฟังจากหลวงพ่อเนี่ย มันไม่สามารถที่จะช่วยให้ตัวเองเนี่ยพายจากความทุกข์ทรมานได้เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ธรรมะที่ได้ฟังแต่ว่าเอาข้อจริงก็ไม่ได้ปฏิบัติเท่าไรหร่ในความเป็นคนที่มีโอกาสได้อุปถาใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวเองเนี่ย รับเบื่อความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยได้เลยจกนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเนี่ยทั้งสองกรณีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่าในการที่คนเราเนี่ยมีศรัทธาแล้วก็มีความปิติปราโมทย์นะจากการที่ได้ใกล้ชิดนะหลวงปู่หลวงพ่อซึ่งเป็นโอกาสที่ น้อยคนนะที่จะได้รับแต่ว่าพอเวลามีปัญหานะเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยมันก็กลายเป็นวิกฤตขึ้นมาเลยโดยที่สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันช่วยไม่ได้มากอั น, นี่มันแสดงว่าเนี่ยเท่านี้นะยังไม่พอนะในการที่เราจะรับมือนะกับความทุกข์ที่เกิดขึ้น น่าจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดแต่ว่ามันก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแหละต่อเมื่อได้นําธรรมะเนี่ยมันเข้ามาน้อมเข้ามาใส่ตัวไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่ว่า เ, ออเกิดความปิติปราโมทย์อย่างเดียวแต่มันต้องนํามาปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให สติและปัญญาเนี่ยมันเจริญงอกงามขึ้นในใจอันนี้เรียกว่าทำให้พระเนี่ยมันสถิตยอยู่ในใจเราไม่ใช่ว่าอยู่นอกตัวพระที่อยู่นอกตัวไม่เป็นพระอรหันต์ก็ช่วยเราได้ แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแหละนะคือทำให้เกิดความปิติในยามที่ระลึกนึกถึงแต่ว่าถ้าปัญหามันมันหนักมันรุนแรงเนี่ยมันต้องอาใัยพระในใจนยก็คือธรรมะที่เราน้อมเข้ามาใส่ตัวนั่นแหละโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ ย, น, ย, น, น, าา น, ยนี่คือ คุณสมบัติประการหนึ่งของธรรมะเรียกว่าธรรมะขุนน้อมเข้ามาใส่ตัวให้มันกลายเป็นเนื้อเป็นตัวซึ่งก็ต้องอาศัยการปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเพราะว่าไอสิ่งที่ฟังแม้จะฟังมาเยอะอ่านมามากแต่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมา ที่มันลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วก็ลืมหนดนะไอ้ที่ได้ยินได้ฟังมาหรือเอามาใช้ไม่ได้เวลาเกิดทุกขเวทนาบอกมีสติมีสติแต่ว่าเอาข้างจึงสติไม่รู้หล่นหายไปไหนเพราะว่าสติมันไม่มีกำลัง อย่างที่เขาเรียกว่าน้ำน้อยยมแพ้ไฟมากทุกขเวทนาก็ดีความโกรธก็ดีความกลัดกลุ้มก็ดีความโศกก็ดีพวกนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราปล่อยให้มันลุกลามด้วยความหลงเนี่ยมันก็เหมือนกับไฟป่าที่โหมกระหนำ่ำส่วนสติที่มีอยู่ ถ้าไม่ได้ฝึกเอาไว้มันก็เหมือนกับน้ำน้อยไอความรู้ที่มีถ้าตากัยเที่ยงเป็นความรู้ในทางปริยัติถึงเวลานี่มันก็รับมือไม่ไหวเช่นรู้มาว่า อ, อ, อะไรๆก็ไม่เที่ยงนะ แต่ว่าพอทรัพย์สูญเสียบ้านถูกยึดหรือคนรักตายจากไปมันไม่สามารถที่จะทรงจิตประคองใจได้เลยไม่สามารถที่จะน้อมใจให้ตระหนักจริงๆว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่น ได้พพราะว่าไม่เที่ยงก็จริงนะแต่ว่ามันรู้แค่ระดับสมองแต่ว่าใจนี่มันยึดเอาไว้หัวมันบอกว่าความยึดความติดเป็นทุกข์แต่ใจมันไม่รับรู้ด้วยมันก็จะยึดตะพึตะพือนะหัวสมองมันบอกว่าโกรธไม่ดีแต่ว่า พอถึงเวลามีอะไรมากระทบมันก็จมอยู่ในความโกรธปล่อยความโกรธข้องงาใจอย่ให้ความโกรธงง ม, ม, มันสั่งสั่งให้ดา่าสั่งให้อรารวาสความเศร้าก็เหมือนกันนะก็รู้ว่าเศร้ามันไม่ดีเศร้าเพราะว่าไปมูอะไรกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เป็นพราไปยึดติกับสิ่งรักของรักคนรักก็รู้ว่ายึดไม่ดีแต่ก็ยึดพอยึดแล้วมันก็เศร้าเศร้าแล้วจะไปยึดความเศร้านั้นอีกบา ง, งทีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็หลงเชื่อมันมันสั่งให้เจ้าจุกมันสั่งให้อยู่นิ่งไม่ทำอะไรหมดอะไรตายอยาก เจ้าจุกเสื้อผ้าหนาผมไม่สนใจจนบางทีถึงกับทำร้ายตัวเองก็เป็นเพราะไปหลงเชื่อมันแต่ ด, ดังที่รู้ว่ารู้ด้วยสมองรู้ด้วยหัวรู้ด้วยความรู้ที่ได้ได้ฟังมาว่ามันเป็นความหลงมันไม่สามารถจะเชื่อถือมันได้นะ นี่จนกว่าเราจะมีสติจนกว่าเราจะฝึกสติให้มันจะเรียกว่ากลายเป็นคุณธรรมประจำใจนะพุณธรรมนี่มันไม่ได้หมายถึงเฉพาะความเมตตาความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจความเสียสะละอย่างเดียวสติสัพชัญญะความรู้สึกตัว สมาธิปัญญาพวั น, นี้ก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาอย่าชลาใจว่าเออเรามีครูบาอาจารย์ดีนะหรือว่ า, เ, าเราได้ยินได้ฟังมาเยอะฟังธรรมะทุกวันทั้งเชา้าทั้งเย็นแม้จะฟังมาเป็นปีๆมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า เราจะมีวิชาที่จะรับมือกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าแต่ความทุกข์เลยแม้กระทั่งความเหงนแกตัวนะความโกรธพอเกิดขึ้นก็แพ้มาทุกทีเพราะว่ามันแค่ฟังนะแต่มันไม่ได้มีการปฏิบัติมันก็เลยไม่เกิดความเปลี่ยนแปลง นนต้องปฏิบัตินะไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวแล้วปฏิบัติเนี่ยมันก็ทำได้หลายวิธีนะในการที่ปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็สาคัญปฏิบัติในรูปแบบหาเวลาให้กับการนั่งสมาธิเจริญสติเดินจงกรมสร้างจังหวะนะทำให้สม่ำเสมอ ไม่ต่างจากเราเวลาเราอาบน้ำถูฟันไม่มีวันไหนที่เราจะละเว้นนะการถูฟันการอาบน้ำหรือแม้กระทั่งการขับถ่ายเรากินข้าวทุกวันเราอาบน้ำทุกวันเราล้างหน้าวันละหลายครั้งให้การฝึกจิต ชำระใจนะให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวให้มีสมาธินี่ก็เป็นสิ่งต้องทําสม่ําเสมอเหมือนกันแต่เท่านั้นก็ไม่พอนะมันก็ต้องฝึกจากชีวิตประจําวันด้วยจากการกินข้าวจากการอาบน้ําจากการล้างหน้าเริ่มตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเก็บที่นอน ฝึกสติแม้ว่ามันจะมีความหนาวแต่ว่าก็ตั้งสติได้ไม่ภายแพ้ต่อกิเลสเกิดความกระตือรือร้อนเกิดความกระชับกระเฉงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของสติและความรู้สึกตัวแล้วขณะเดียวกันก็ทำอะไรก็รู้กายเชื่อรู้กายเคลื่อนไหว รู้การเคลื่อนไหวก็ต้องคู่กับรู้ใจคิดนึกนะีรู้ใจคิดนึกระหว่างทํากิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำถูแฟนกินข้าวล้างจานมันก็จะมีความคิดนึกต่างๆก็ให้รู้ทันและไม่ใช่รู้ทันเวลาทํากิจอย่างเดียวนะแต่รู้ทันความคิดเวลาเจออะไรต่ออะไรมากมายเจอรถติดนะี เจอเพื่อนทำตัวไม่น่ารักเจออุปสรรคเจอการงานเจอคนที่พาวิจาร์ในพวกนี้เนี่ยก็รูแล้วแต่เป็นโอกาสสำหรับการฝึกสติด้วยการรู้ทันจิตหรืออารมณ์ความคิดนะเมื่อมันมีการกระทบแล้วเนี่ยเป็น การฝึกที่สำคัญเลยนะเป็นการฝึกจากของจริงนะไม่ใช่ฝึกในสถานที่ที่เราเลือกหรือในเวลาที่เราเลือกเนีเวลาอย่างเช่นเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยเราก็เลือกสถานที่เช่นห้องพระหรือว่าที่สงบเลือกเวลาที่เหมาะ แต่มันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราเลือกไม่ได้แล้วก็แม้จะไม่ชอบด้วยแล้วก็มาไม่เป็นเว ล, เวลาอันนี้คือเหตุการณ์จริงซึ่งสามารถจะเอามาใช้หรือเป็นโอกาสในการฝึกฝึกสตินะใการ ฝึกจากของจริงเนี่ยแม้กระทั่งฝึกจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเจ็บความปวดจากทุกขเวทนาสำคัญนะต่ว่าเวลาเนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนี่ผู้ชายคนหนึ่งนะแกมีอาชีพย่องเบาแล้วลูกชายเนี่ยก็เห็นพ่อเนี่ย ทาอาชีพนี้มานานแล้วพ่อก็แก่ชราแล้วก็เลยเปล่าลกกับพ่อว่าอย่าอย่าให้พ่อสอนวิชาลักขโมยย่องเบาให้ด้วยจะได้ช่วยพ่อนะในยามที่พ่อเนี่ยออกไปทำงานนะวันหนึ่งพ่อก็เลยชวนลูกชายเนี่ยนะไปที่บ้านแห่งหนึ่งในยามค่ำคืนแล้วก็เจาะกำแพงนะเป็นช่อง ก็เป็นบ้านที่มีฐานะจึงมีกำแพงได้นะมุดเข้าไปลอดกำแพงนั้นไปถึงตัวบ้านก็ทั้งสองก็มาหยุดตรงที่ตู้ใหญ่บานหนึ่งนะแล้วพ่อนี่ก็เปิดตู้แล้วบอกให้ลูกชายเน่ยเข้าไปในตู้สองลูกชายเข้าไปในตู้พ่อก็ปิดตู้เลยล็อกเลยลูกตกใจมากเออเกิด อ, อะไรขึ้นอยู่ๆพ่อก็ปิดนะ ขังตัวเองอในตู้ท่านั้นไม่พอพ่ อ, อตกนงบกเวกจนทั่งคนในบ้านที่ตื่นแล้วพ่อก็รีบออกจากบ้านมุดนะกำแพงออกไปหนีไปเลยรูปชายอยู่ในตู้ตกใจมากทําทำไมพ่อทำอ่างนี้กับตัวเองแต่ว่าไม่มีเวลาที่ต้องตกใจมากเพราะว่าปัญหาเฉพาะน้าคือทำไงจะออกจากตู้ให้ได้ตู้มันล็อกไงจากข้างนอกทำไงก็เลยแก้งส่งเสียงนะส่งเสือมันก็ หนูนะหนูก็แค่ว่าหนูเนี่ยมันอยู่ในตู้แล้วก็มันกำลังกัดผ้าคนในบ้านที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เห็นว่าไม่มีข้าวของที่ถูกลักขโมยก็แปลกใจนะแต่ก็คิดว่าขโมยเนี่ยนั้นก็คงจะหนีรอดไปทางกำแพงแล้วแต่พอได้ยินเสียงหนูในตู้เนี่ยเจ้าของบ้านก็ให้ สาวใช้เนี่ยไปเปิดตู้สาวใช้เนี่ยนะก็เลยจุดเทียนนะแล้วก็เปิดตู้พอเทียนนี่ยมันยื่นเข้ามาในตู้เนี่ยไอ้ชายคนนั้นเนี่ยมันก็รีบเป่าเทียนดับเลยแล้วก็รีบนี้ออกมาพ อ, นอาเนี่ออกมานี่ก็มีคนเห็นคนก็ไล่ตามชายคนนั้นเนี่ยก็ตรงไปที่กำแพงนะแล้วก็มุดออกไป คนในบ้านก็ตามไงตามกันมาหลายคนเลยนะในชายคนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยเกิดจะจวนตัวอยู่แล้วนะ้วก็เอาหินเนี่ยทุ่มลงไปในสระที่ ใ, ใกลนะ้ๆ้วก็ทาส่งเสียงล้อมมันก็ว่าจมน้ำคนในบ้านที่ตามมาก็เลยคิดว่าโจทย์เนี่ยมันจมน้ำก็เลยไปหานะ่า หาโจรที่จมน้ำก็เลยเปิดโอกาสให้ชายคนนั้นเนี่ยหนีกลับไปถึงบ้านได้กลับไปถึงบ้านเนี่ยก็เจอพ่อรออยู่แล้งก็วยวายใส่พ่อแต่พ่อก็ไม่สนใจพ่อถามว่าเจ้าหนีไม่ได้ยังไงไา้ชายคนนั้นลูกชายก็เลยเล่าว่าห น, นีไม่ได้ยังไงพ่อก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าว่าเนี่ยตอนนี้เจ้าได้เรียนรู้วิธีวิชาลักขโมยแล้ว พ่อสอนนะให้ลูกรู้วิชาลักขโมยไม่ใช่สอนด้วยปากไม่ใช่สอนด้วยการบรรยายหรือบอกเล่านะแต่สอนให้รู้วิชานี้ด้วยการพาลูกไปเจอของจริงไปเจอปัญหาแล้วแก้ปัญหาด้วยตัวเองมันเป็นการเรียนแบบเรียนรัดมากเลยนะในการฝึกวิชาชีวิตเนี่ยฝึกวิชา ที่จะพาใจออกจากความทุกเนี่ยนะมันก็เหมือนกันนะถ้าจะให้ได้ผลต้องเรียนจากของจริงนคือเรียนจากปัญหาเวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจอย่างที่เราสลดุกเช้าเนี่ยประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจอันนี้คือสิ่งที่คนเราไม่ชอบนะเพราะมันคือทุก ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเช่นคำต่อว่าด่าทอการวิบากบาดหมางความหนาวความเจ็บป่วยอุปสรรคความล้มเหลวหรือการพลดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจเช่นสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักอะไรต่างเหล่านี้สูญเสียชื่อเสียงไอ้พวกนี้คือปัญหาชีวิตนะที่ไม่มีใครหนีพ้น แต่เราก็สามารถจะเรียนรู้นะการเจริญสตินะการเจริญสร้างความสึกตัวได้ก็จาปัญหาเราเนี่ยเหมือนกับที่นักจ้องเบาสอนลูกเนี่ยวิชาย่องเบาสอนด้วยการให้ไปเจอของจริงแล้วก็หาทางแก้ปัญหาเองวิชาธรรมะก็เหมือนกันนะธรรมะที่เป็นเรื่องการบรรเทาทุกข์หรือพ้นทุกข์เนี่ยนะมันก็ต้อง เรียนรู้จักของจริงด้วยรวมทั้งการเจริญสติการสร้างความสึกตัวก็ต้องเรียนรู้จากของจริงเวลามีความโกรธความเศร้าเราจะเรียนรู้จากมันได้อย่างไรอย่างที่หลวงพ่อคำแกยนท่านบอกว่าเนี่ยเราได้ความไม่โกรธเพราะความโกรธเราได้ความไม่ทุกข์เพราะความทุกข์เราได้ความไม่หลงเพราะความหลงก็คือใช้ความโกรธความทุกข์ความหลงนั่นแหละนะมาเป็นอุปกรณ์ หรือแบบฝึกหัดในการสร้างหรือพัฒนาไอ้ความไม่โกรธความไม่ทุกข์ความไม่หลงเราต้องรู้จักเรียนจากของจริงด้วยนะแม้ว่าเราจะไม่ชอบในของจริงที่ว่าเพราะมันเป็นปัญหาแต่การเรียนรู้จากปัญหานี่แหละที่มันทาให้เราเติบโตได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติการดำน้อมสึกตัวหรือการเจริญปัญญาในเวลาเจอปัญหาพวกนี้เนี่ยให้ถือว่าเนี่ยเรากําลังเจอแบบฝึกหัดเข้าไปแล้ว การเรียนรู้จากของจริงเนี่ยนะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เราเกิดพัฒนาการเกิดการก้าวกระโดดและเกิดความเติบโตได้